ท่านพระอาจารย์เทศอบรมพระเมื่อคืนวันที่3พฤศจิกายนพส2515ณวัดป่าบ้านตาดไปนั่งกุญแจไปัดแข้งไปมีเมตตาอันนี้เป็นวิสัออยมาเป็นไหนกันนะ กินทุวนนี้มันเมื่อตาเราเป็นหลักธรรมชาติตดลอนไม่ตะลอนมันจะเป็นอย่างนี้คอมอ่านหมดเลยระหว่งนี้มีสูงโงงปหมดมันอ่อนไปหมดข้าหมดเลยเชื่อฉ่นมีวินญาแล้วไม่ว่าท่านอย่ไหนไม่เคยมีความต้องกาตนว่ายิ่งกว่าเขาเลยเราถึงได้เห็นคุณค่าของสตร์สนามศกใจกลเห็นยอดของบุคิก้า ที่ท่านสงข้าได้หมดคือข้าในหลับธรรมชาติไม่ถือว่าพริธเจ้าเมื่ยเกิดเกิดกสัตว์ทังหายนะในความรู้สึกของโองานจริงๆต้งเป็นเหน่งคือมันอ่อนนุ่มสหมดไม่มีอะไรจะถือหรือตาย้งหมดแล้วก็เลยลมถึงสรรมถึงสภาพการหลักธรรมชาตนี่ข้าได้หมด ถาลากถึงดูช่วงเข้าไปหมดแต่ไม่ติดนะ้าไปหมดแต่ไม่ติดต้อ ง, งเป็นี้เข้าได้แต่ไม่ติดเ้าได้ด้วความสะอาดไม่ิดด้คํามบริสุทธิ์ถึงข้าได้ได้วยความสะอาดไม่ติดเรับคามมํ า, คามบริสุทธนใจเยียดอันนั้นสคัญ ใจอ่อนถนัดย่ ม, อ ม, ยาายมคอยเป็นหมดนมันบรรดาัดทั้งสามโลกธาตุไม่เลยต้องคำเป็นและยิงย่งัว่ายนกว่าใครก็อะไรทั้งนั้นเป็นะภาพจิตสมิงสมัครเสมอจิต ท, ท, ท, ทักษจะยันใ ห, ให้ให้เป็นที่แรกเป็นอย่างนั้น สร้างกสร้างภาให้ตัวเลงแหลังก็เป็้น้ีคุณเป็นขึแล้วเป็นหลักธรรมชาติอคุณไม่นหลัรแล้วก็ก็เข้าได้เือมะขีจวาะที่จะอกอรงนี้แล้ว หลายเราธรรมดาต่างเวลาการจะเห็นโทษกันเนี่ยคุณทำมันไม่เคยแสดงคุณไม่เคยเห็นหความอัศจรรยของธรรมถ้าทํานี่ยก็แสดงขึ้นที่ใจเส้นเดียวกับเจเลที่เคยแสดงขึ้นที่ใจแล้วความคาดเลียรทั้งหลายต้องเข้มแข็งถ้าเป็นสีที่ผูดกันมากมา คุณลักษณะของสิ่งทั้งสองจิตกิเลสแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นทำแสดงผลขึ้นมาอย่างนี้นอย่างนี้ภายในใจลงเดียวกันและจิตจะต้องคืบหน้าดีเลยไม่ทอดแท้อ่อนเลยครับเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตมีความขึ้อยู่ซึมซาหรืออาจหางหน้าเลย ลับเป็นสลับตาได้จริ ง, งนี่จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ม่อยู่กับการเมื่อเปิดจิตเลือปัญหาหรืออยากที่เลือดปัญหาออกไม่ไม่ได้มันก็เข้าไมา่เห็นเข้าไม่ถึงที่ท่านมาทำทำคือถือจะรับทราบทำทั้งหลายรู้ทำทั้งหลายเห็นทำทั้งหลาย มีจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดก็สามารถรับทราบทำได้ยิ่งกว่าใจดว ง, ง, งเปลี่ยนดวงเดียวตามหูจมุก ร, ร่างการนี้เป็นเพีย ง, งทางเดินของธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของบิดาสันหาเข้าสู่ใจไม่อยู่ในสถานที่เหล่านี้แต่อยู่ที่ใจทางออกทางเข้า ของทันและเอกนาร์ออกมาจากทางตามต่างๆจนหมุนดิ้นไปความคิดกลางเปลี่ยนแปลงฝึกหัดสติปัญญาให้คิดหลายแง่หลายทางอย่าเป็นคนดูแบบซุมๆแบบไม่มีความคิดความอ่านแบบขี้เกียดแบบอะไรพูไม่ถูกนั่นไม่ใช่ทางเลยของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดี ต้องเป็นผู้มีสติสตัต้งเป็นผู้ขเหนือกดขันความคิดความอ่านอะไรที่ออกมาแต่ละอย่างละอย่าง ใ, ให้ยึดสายตรีตรองเสมอ ส, สิ่งที่มาสัมผัส่างๆนี้จมื่นร่างกายนำเข้ามาเทียบเทียมให้ได้ลหลายแง่หลายกระทมพย า, ากกยามฝึกฝัิปัญญาอย่างนั้นของสิ่งเยอะมันแยกไปหลายแง่หลายกระทงมีเป็นเมื่อเรายพยายามแยกพยายามพิจารณาต้นควาเหลี่ยงนั้นแล้ว แขานงของสติปัญญาจะค่อยแก่ออกไปแต่ออกไปออกไปว้างของออกไปแล้วจะเห็นสิ่งที่แปลกปลาดซึ่งเกิดขึ้นจากสติปัญญาเป็นจุดค้นขึ้นมาเนื้อจับเป็นนิสยัยเป็นเมื่อสติปัญญาสร้างตัวได้หลักฐานแล้วก็มีกต่จะสร้าง เ, เรื่อยๆถึกออกเรื่อยๆแต่กระกายตันเป็นจริงแขานง น, นับไม่ถ้วนอะไรสัมผัสเข้ามาจะต้องพิจารณาแยกแยะกันแต่กระจายไป นั่นแหสติปัญญาออกจากนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นพิเรศจะหลุดล้ยออกไปเพราะความอยู่เฉยๆไม่พาคันจำไว้อย่างถึงจัย่อมจะพิจารณาเรื่องปันดากับเรื่องสมาธิจะภาวนาอันแดกหนต้นแบบที่จบตัดความพิเรศเป็นแบบที่จะทำพิเรศหมอา้าวางไปเป็นแบบที่จะทำพิเรศแก่ต ด้วยวิธีไหนนำวิธี น, นั้นมาใชยในเวลานั้นนที่ควรจะการที่ควรจะหน้าที่ของตนที่เห็นว่าเหมาะนั่งภาวนาถ้ารู้สึกจะง่วงอยากฝืนนั่งให้ลงโบอย่าทําเป็นความเคยชินเป็นความขี้เกียจในการนั่งภาวนานั่ง น, น, น, นี่เคยฝึกมาแล้วเคยแนะนํามาสอนหนุนเพื่อนอุบายวิธีฝึก ต้องมีหลายเนี่ยหลายกับรงจนพันธน า, า, าจบเป็นเทคนิคของแต่ละหลาย ล, หลายที่จะหาอุบายมาแก้ตัวเองเพื่อหลือกรอบถ่าไม่เห็นนั้นพิเรกกับใจจะแดกจะหามกันวั น, นออยังทำคืนยังด่ตลอดตลอดกันไม่มีเวลาปลุกโปร่งปล่อยรางกันได้หรือไม่กันลงด้เพราะทั้งสอง พิเด็กดกระจิตนี้สนิทกันมากมานันจนไม่ถ้าต้นสายปลายเหตุเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านจึงเรียกว่าอภิญตังเป็นสิ่งที่ไม่ควรคํานึง่งไม่ควรคิดให้เสียแย่เรื่องเวลาและลบากการะเปให้ถือหลักปัจจุบันเป็นเป็นต้นเป็นสําคัญเราไม่ต้องไปดูหาป่วยหาเชื้อของมันมันมาจากไหนเชื้อของพิเดิดขึ้นมาจากไหนให้หาดูที่จิต เือมันก็นมีที่นั่นโคตรมันก็มีที่นหลนังนิ้นตวตาวเราฟอมมั น, เ ก, น, น, นเกิดขึ้นดูใจนี่นะเกิดขึ้นจริงนี่เรื่เกิดขึ้นจากใจก็เช่นเดียวกับสนิทที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกลับเสร็จกลัดเหล็กลงไปให้สุดลอดให้กลับลงไปเจนกระทั่งเหล็กมันใช้การอะไรไม่ไดนี่เรื่ก็เกิดขึ้นจากใจ แล้วลังควัหลังแกอทำลายจิตใจจนกลายเป็นจิตใจที่เสียใช้งนานใช้การอะไรไม่ได้เสียไปทั้ทงคนคนทั้งคนไม่มีคุณค่าแม้แต่น้อยเพราะอำนาจของเกียนี่แหละเป็นตัวทำลาแล้วพากันนอนจัดสติปัญญาจะเดินก่อนเดินหลังสมาธิจะเดิน เวลาไหนปัญญาจะเดินเวลาไหนให้เห็นเป็นความเหมาะสมสำหรับตนอย่าเข้าใจไปหน้าเดียวว่าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดต้องพิจารณาอายมสมาธิให้เกิดเสียก่อนแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเพียงโครงการที่ร่างไว้อย่างนั้นแล้วนั้นแหละโครงการนั้นเ่ยสมาการเป็นเรื่องหลอกตัวเอง เนื้อหาความจัดความจริงตามหลักธรรมชาติของธรรมแทม้มาเองปัญญาก็เป็นเครื่องที่จะพ้นควาหาเหตุหาผลหาสิ่งที่หวังปลดปลงสมาธิก็เพื่อจะทํำใจให้มีความสงบเยือกเย็นเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยแต่เคยหามกับอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นเวลา น, นานแล้วยาที่ทําสมาธิเพื่อความสงบใจนั้นก็ เป็นวิธีการอันปร่ยวางภาระลงได้บ้างพื่วการช่วยละในขณะที่จิตสงบเพราะความทุ้เหมดเถิดขันของสติตปัญญาตปรอบอยู่กับความเพียรในเวลานั่งส ม, ม า, าธิภาวนาขณะที่จะใช้ปัญญาก็ไม่ต้องว่าสมาธิมีหรือไม่มีไม่ต้องไปจิดค้นหาให้เห็นหเห็นผลของกระแสจิตคิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาน ที่ค้าดูเรื่องนั้นให้เห็นชัดเจแล้วมาตั้งเกียรตดูเรื่องความผิดพลาดของจิตที่เคยตําคัญมันหมายหลอกลวงตนเองถึงกระแบกที่เดชัญถาทั้งกองยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกยังไม่ยอมให้เห็นโทดสิ่งอย่านี้ด้วยปัญญานํามาท้าหมาจิตอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็คือ เป็นสิ่งที่จะขอด้อนกิเลสหรือ ท, ทํากิเลสหมอบราลงไปด้วยกันทั้งนั้นขณะที่จะใช้ปัรดาให้ตั้งใจใช้จริงขนาดที่ทําสมาธิให้ทําด้วยความจริงใจอย่ยาไปห่วงใยถึงเรื่องปัญญานี่คือว่าทำหน้าที่ไม่ก้าวกาะตันและไม่โยกโยกคลางคลอนไม่ลังเลสงสัยจัดว่าเป็นคนจริตทําอะไรถ้าทําด้วยความจริงใจเป็นนิสัยที่จริงแล้ว เห็นเหตุเห็นผลเป็นชื่นเป็นคันไปเดยน้ำไม่แบบจับจับวางวางที่เรียกว่าจับจดทําอะไรไม่เกิดเหตุเกิดผลประโยคทําไปอย่างนั้นอันนี้เป็นนิสยัยดีเอาความแน่นอนมาได้ผลก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคำไม่แน่นอนของใกนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายผลที่ควรจะเกิดขึ้นไปเสียเลยไม่มีทางเกิดได้ต้องสุขัดตัวให้เป็นคนจริงคนจัด เฝึกไปทุกวันทําไมจะไมาต่างทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ธรรมะเป็นเครื่องฝึกฝน จ, จิตใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเคยฝึกฝนได้รับผลมามากมายก่ากองที่ว่าทั้งพุทธังคำมังสั้งคำทั้งนั้นก็ฉาณิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหบูชาตลอดมาจีกับจีกันนับไม่ถ้วนก็เพราะการฝึกความธรรมะ ที่จะปรากฏพุทธทางธรรมังสังขารขึ้นในโลกให้ได้กล่าวว่าบูป่านี้ปรากฏขึ้นจากการจุดทรมานนี้ทำไรคือเป็นผลออกมาจากอันนี้ทำไมใจเราจะจุดทรมานตัวไม่ได้แล้วเป็นคนคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งที่ว่าลูกศิษย์ถาคตอะไรเป็นลูกศิษสถาคต์ตามหลักธรรมชาติตามแบบกที่แค่สิ่นี้ก็ได้แก่สุปฏิอุทุงานะขาไม่ปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความอดความทนความภาคภเพียจความแค่ควรเหตุผลดีชว่วนี่คือจิตตถาคตเดินทางนี้ไม่ใช่เดินแบบความง่ายง่ายที่เหยียบเห็นแต่ปากแต่ท้องเห็นแต่การหลับการมาอันนี้เคยเป็นศาสตราจารย์เหยียบย่ำทำลายจิตใจเราม่นานเลย เราลงได้ตัณฑ์ใจศึกกันจริงๆนี่แน่ใจเหลือเกินว่าจะต้องปรากฏสิงอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่แต่นี่ทําไมไม่ปรากฏก็ต้องทําให้เห็นแต่ชัดๆไม่ต้องบอกก็ทราบโดยทขาดความเพียนเป็นอย่างไรก็จะเป็นในลักษณะดังตามลักษณะที่เราเห็นในทุกวันนี้เราเดินไปไหนมาไหนจะต้องได้ชี้ได้บอกทุกสิ่งทุก อยากทุกแง่ทุกมุมไปเพราะขาดที่เสียดมากงา่ายความไม่ชอบคิดชอบปัญหาไม่พีนิตริจิจนาอะไรเลยนิสัยเป็นอย่างนั้นแล้วยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นทําหน้าที่การงานอยู่ก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะเคยฝังใจมานานเนี่ย แ, แยกไม่ออกหรือไม่สนใจจะแยกให้ถึงเหตุถึงผลกันบ้างว่านิสัยอย่างนี้มันดีเพียงไรหรือชัวยอย่วเพียงไรไมาเอามาคลี่คายดูบ้างหนย เดินไปไหนเลยได้บอกได้เตือนเสมอเหมือนกับว่าผมนี่หาโทษถาโมโดยเงโดยเพื่อนไปที่ไหนควายจะจับผิดจับถูกกับพาดของหมูเพื่อนเสมอพราหเป็นคนละโลกนะผมไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นกับหมู่เพื่อนผมรับหมูเพื่อนไว้เพื่อการอบรมการสอนเหมือนเป็นอรยวะเดียวกันความที่สนิทใจของผมมีสงใจของผมอยู่จึงนั้นผมไม่อยากเห็นความผิดพลาดของหมูเพื่อน ไม่อยากเห็นสิ่งที่ได้เคลื่นได้ว่าได้ดูดานว่ากล่าวมสมอผมไม่อยากพบไม่อยาเห็นเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านอกจากแสดงไปเรื่องของพิเดียแห่งความม า, าั่ามไม่งควา ม, มความไม่พิจารณาของหมู่เพื่อนล้วนๆเท่านั้นจะเป็นอะไรไปนี่คนละอาบางทีผมรู้สึกหนักใจนะแล้วผู้ที่ไมพ่พิจิตพิจารณาก็หาว่าทําที่ช้ำใจความชา้ำศักัิ ความเป็นเรืของเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจดูไม่สนใจคิดไม่สนใจแก้ไขนี้ถ้าคนอื่นมาเห็นส่วนที่ไม่เห็นเป็นยังไงมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่มีควรจะพิจารณาดูวห้ดีนักปฏิบัตินักไขควรต้องจะทราบเรื่อหนอ้นี่จึงทาให้เกิดความละอาใจเหมือนกันที่หม้เพื่อนจะเวลาแยกย้ายไปจากครูวาจานเนียวจะทรงตัวได้หรือไม่การทรงตัวได้นั้นจะทรงได้ด้วยเหตุใด ถ้าไม่ทรงได้ด้วยพอ่อวัดปฏิบัติไม่ทรงได้ด้วยสติปัญญาความภาคความเพียรตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจะเอาอะไรมาส่งนี่้ยปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรผิดผิดพลาดพาดขาดเกินเกินให้ดูอยู่ตลอดเวลาให้เห็นถินตาแทนใจทุกเวลาความไม่แน่ใจมันก็ต้องมีต้องเห็นอยู่ทุกวันซึ่ง ที่ควรจะคิดสิ่งที่จะได้มาจากสติปัญญาของตนให้ได้ชมบ้างให้ครูบาอาจารย์ได้ชมบ้างไม่ค่อยจะเห็นมีเลยนี่นะ่ะแบบไหนก็แบบเดิมอย่นั้นสอนต้องสอนหมดทิดหมดเขตหมดกําลังหมดความรู้ความสะับความสามารถที่นํามาสอนหมู่สอนเปิดก็พุ่นเทลงหมดแต่ผลไม่ค่อยปรากฏเลยนี่เป็นยังไงนะมันก็ทําให้คิด นี่แหละที่เป็นเหตุท่าไม่อยากจะรับผู้เพื่อนมากเพราะเหตุนี้แต่เจตนานั้นดีอยู่ด้วยกันมีความมุ่งหวังอยู่ด้วยกันแต่ความโง่ความเสื่อมทาที่เป็นนิสัยดั้งเดิมมานี้ไม่ยอมลดละนี่แล้วจะหาความเฉลียวฉลาดนักแก้ตัวในตรงไหนนี่เหลมันแหลมคมยิ่งกว่าเราซะมากมายเนี่ยมันจะมองเห็นกันหรือมันกลายกันหยกักลิบลับนี่เป็นเหตุอหไรท้อใจ นิสัยของผู้ที่จะถอดถอนที่ให้ตกไปเป็นลำนดับลำดับนี้เป็นนิสัยของสติเป็นนิสัยของปัญญาเป็นนิสัยของความอาถราารพ์ร่าเริงความขายันหมั่นเพียรความอดคํามตนต่อความภาคความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องเครื่องแฝงอยูเสมอเสมไม่จะทําอะไรเลยความงุนงา่านเชิดชันโดยหาดสติปัญญานี่ไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจาา้าพระพุทธกิจวัตราสนาเดินของนิเศษเลิศโลกเลิศ เ, เพราะสติปัญญาเป็นเครื่องสุด เป็นเครืขุดค้นขึ้นมาไม่ใช่ความโง่เขลา ป, ปัญญาไม่ใช่ความแบบอยู่ซึมๆเหมือนหัวต่อเป็นผู้ขุดค้นทำประเสริฐนี้ขึ้นมาแล้วเราจะขุดค้นสิ่งประเสริฐนี้ขึ้นมาจากใจเราได้ด้วยวิธีไหนหรือจะได้ด้วยวิธีแบบที่เป็นมาอย่างนี้หลืแบบเป็นมานี้มันอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าไว้นั้นปฏิบัติทางพระธรรมแล้ มันเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่มันว่างกรรมาฐานเสศจกรรมาฐานเคลื่อนที่มันไม่มีความแยกแยะอะไรกามที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อยู่มาครับมือกับคณะผมก็อยู่มายึกหนาละอาใจแทบจะลบจะตาแต่ก็ทนอยู่คือมันเห็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน ท, ทั้งที่เราเขามีกิเลสหนา แต่มันก็เห็นเนอยู่หนายอยู่กว่าเราก็หนาจนผ่านตาของแันเข้าแล้วเราอยากให้เห็นใช่ั้มเป็นประจำเลยมันทําไมรู้มันอยู่ขุดค้นมันอยู่ทำไมมันจะไม่มีอะไรยืดเยื้อแยกออกมาพอแสดงให้เห็นว่านี่อาการของความสลับเริ่มตัวไหวเริ่มตัวแสดงออกมาเองทไมมันจะไม่ 5, 3, ถ้าพยายามยึดอดใจต่อมาแล้วสิ่งใดจะหย่อนยานนั้จัคอยยึดเสมอทมไม่ใช่ความหย่อนยานนี่แหละอันหนึ่งถ้าเม่คุณปฏิบัติให้ในเบาอกบอกบาใจ อย่าให้เลยหนักใ จ, จ, ใ จ, จสิ่งใดที่ควรจะฝุดตนบ้างให้ฝึกหนก่มาอยู่กับเมืองกับตลาดอะไรนั่นก็เือเพื่อสิ่งทุกอย่า ง, ง, างจนไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้น wat. ท่านปฏิบัติอย่างไร เลยมีแต่กรรมาฐานทุ้งเพล่กรรมาฐานเี้วเปือเไม่ได้คืดตั ว, น, วนั่นือมีไดยเคยสอนอย่างเ่อนสมจุดประเจรจาทางเกิดมาให้คนให้ต่างองค์ต่างระมัดระวังรักษ า, าตัวเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองจากที่นี้พิจารณาเดยเฉพาะเป็นรายๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังคับขังสอนกันมากมันเป็นมุมารวิธีของแต่ละ หลายๆจะลบดีปิดตัวกับสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะกับความเพียงของตนต้องคิดถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่มีทาง สมาธิเป็นอินทรียอยู่อันต่อหลางเห็นจะดีนนนนในแบบแผนจำก็จําได้มาจากแบบแผนตลอดเวลาเห็นองค์สมาธิว่าเป็นขึ้นที่ใดคุณสมบัติของสมาธิแสดงออกมาอย่างไรบ้างไม่เห็นกับแสงปัญญาทางประเทศอยู่ว่าปัญญาปัญญาปัญญาเป็นอย่างไรนีมันไม่กลาก มสมาธิก็มาปรากฏปัญญาก็มาปรากฏผลคือความสุขความสงอบเย็นใจและความแยบคลายของใจความค่องแค่วความแปลกประหลาดอัจจานของใจที่แสดงออกเป็นระยะระยะนั้นจะให้อาจะเตอือที่เหนกันและ้วมีทางเตื มันปฏิวัติไม่ใชค่ความผิดของฝ่านลยมเล้วไหลสิ่งที่ใช้พิจารณามีอยกเต็มการมีแต่ของกลิ่นล้วนๆไปด้วยไม่มีอะไรมาปลอนไม่มีอะไรปลองในร่างกายไม่ว่าจะพิจารณาในแง่อทุขะธรรมชาตินี้ก็ประกาศตัว เป็นอายุาพหะอยู่ตลอดเวลาอาุาพหะคือความน่าเกลียดของร่างกายผีหลังเข้าไปมันก็มีขี่ในหนังขี้หูขี้ตาขี้หนุกขี้พันขี้อะไรหมดทั้งตัวนะคําว่าขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่มันก็ปฏิคนนูนนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยยิ่งอยู่โดยสม่ำเสมอ ไม่ขาดสงบกุกสมบัตในะความกิ่นตามหลักธรรมชาติของตัแต่ละอาการนะครับเราจะลองไปทำนี่ทไมจะไม่ทราบความกลิ่นของนี่แท้ๆนี่กลิ่นมันแยกเข้ามาชั่วคราวแล้วเห็นเราว่าเสียเป็นวันวันคือมันไม่เห็นของกลิ่นเยียบย่ำทำ น, ท น, ท น, น, ทนั่งทับนั่งทับนอนทับสุดของกลิ่นมันก็ไม่เห็นอรูปภาพไม่ทราบอรูปภาพ ย, ยังไง ไปจะไปเยียบกองขี้หมากะลีนี้เขียเบอร์ไม่ได้พิจารณากองขี้หมานั้นมันเป็นยังไงบ้างกับกองขี้คนอยู่ภายในท้องมันเป็นยังไงบ้างนั่นปัญญาต้องเป็นอย่างไนเทียบเข้ามามันได้สัตว์ได้ส่วนกันที่เรียกว่าปัญญาหมูนออกไปข้างนอกย้านเข้ามาข้างในเทียบใต้เทียบกลางเทียบมันได้สัตว์ได้ส่วนทาไมมันจะได้ความแยกความขึ้นมาเพราะสิ่งอันนี้เป็นของจริงมีอยู่ทั่วไปที่จะเป็นสิ่งรับปัญญา ให้แหลมคมมีอยู่ทนี้เรียกว่า ก, กรร ม, มาฐานเป็นฐานที่ตั้งของงานอันชอบทำแท้ๆไม่ผิดพลาดถ้าดํานเนินตามงานนี้แล้วจะพ้นจากทุกท้าเรียกว่ากรรมฐานกรร ม, มาฐานและวที่ตั้งของงานโดยชอบทำแล้วพระพุทธเจ้าท่านกับตังนุ้งที่นี่ท่านดําเนินทนี่ท่านพ้นทุกได้จากงานอั น, นจากกรร ม, มาฐา น, นนี้ ไม่ใช่เป็นงานที่จะทำแบบแบบความจินชาล้าหลังใหน่นั้นหนักดูไปตรงไหนมีตรงไหนมั่งที่ขัดต่อความจริงที่กันว่าไว้ว่าของจริงของจริงจะดูทงางผ้ากอบุภาพมันก็ตัวสุภาพทั้งหมดในร่างกายของเราทั้งข้างนอกข้างในไม่มี บกช่องที่ตรงไหนไม่มีว่างที่ตรงไหนว่าไม่มีอาิภะอาุิภะตั้งอยู่ในอาการนั้น ๆ, ๆเลยเป็นอาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอาชิภะแทรกอกยู่ไม่มให้ส่วนร่างกายเราจะดูพิจารณาข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้า ง, างขว า, าข้างในข้างนอกแล้วเรยาก็จะคุ้ด้วยกันนจะให้คริงขนาดไหน ศาพิจารณาตามนี่นะจิตทําไมจะไม่จิงต้องจริงทีเดียวที่เรปัญหาอสะวกะ็มีกองเท่าภูเขาก็าอยู่ไม่ได้ลุดลายไปหมดข้อนี้เป็นทางทําลายเป็นเครื่องมือทําลายเป็นงานที่ทําลายที่เดชปัญหาสะวะไม่ใช่เป็นงานส่งเสริเหมือนดังความคิดของเราที่เคยคิดอยู่ทุกวันทุกวันนี้ซึ่งเป็นงานส่งเสริมที่เรื่อง รูเข้าไปให้เงินังเข้าไปหาเนื้อหเ้เห็นหาก็ะดูกหาปาฤฤฤฤ่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่ไหลลงในท้องไหลออกไลเข่าดิบลอยเลยนะมันอะไรหรืมันอะไรกันเนี่ยคูนฮาโซจิมานดนนิสังตัศลิเกสติอันตการีนะโอนัาติปังนะโอ โรคสันิวาสเมื่อโรคสันิวาสมันร้อนเป็นเหมือนไปเนี่ยพวกเกลืทั้งหลายลื่นเลงมันทนกันอะไรทําไมจึงไม่แสดงหาเกาะหาที่ขึ่งมันร้อนอยู่ทั้งกายทั้งใจนี่หวังโรคสันนิวาสเอาเอากายกับใจนี่เรามีแต่ละลายลายเนี่ยเป็นสันนิวาสของตนของตนเป็นโรคของตนสันิวาสของตนห้ืตอะไหนที่มันไม่ร้อนมาดูสิ กายมก็รอนกายมันก็นกสแสดงทุกขังก็สแสดงอริจังก็ไปพร้อมกันอรตตาหมุนตัวเป็นเกลียวกันนึงอันเดียวกันนะั้นมีสามลักษณะศากวัตถุมี้อาการมีระวังแสงเงาที่ตืน้นก็โค้นมาเห็นเห็นเห็นผลเห็นความจริงที่มีจะเป็นทางอริจังก็ตามทุกขังก็ตามอรตตาก็ตาม ความเป็นอรูปะสุพังก็ตามด้วยสติปัญญานี่คือการหาที่ผุดหาโดยวิธีปฎิปังนักปุริสุตตาทำไมเนะี่ยแรงหาที่ผุดแกหาที่นี่ที่น้ำนเรื่องอรูภานี่เป็นหลักใหญ่มากนะเรื่อนัข้างนอกกับพิจารณาข้างในซึ่งนั้วันหนึ่งกี่ร้อยเที่ยวมันลงปัดเอามันลงปัด แตไปเข้าใจว่ามันมากเปินไปอ้าวมันจนํำนีิชำนักเห็นอะไรมันกลายเป็นสภาพไปหมดทั้งข้างนอกข้างในใจจะถอนสิ่งที่เกลีดแทแพงภนตัวออกได้เป็นมนับนึที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความมั่นถือมั่นเป็นความปิดทั้งเพล่แต่เราก็ยอมผิดยินดีผิดยินดีรับทุกอย่น่นเลย ของจริงมันมีมีตังก็งเต็มส่วนทุกครั้งก็เต็มส่วนารัสตาก็เต็มส่วนอสุภะอสุพังก็เต็มส่วนมันไม่มีอะไร ท, ท, ท, ทจะปพิจารณาสติสตังไม่มีเต็มก็เต็มมีแ่สินนะ่นั้นผลที่ควรได้รับจากอย่างนี้ก็ไม่มี เราจิ้งอรจังไม่นานามันต้องเป็นได้ทุกข์มันเห็นกันชัดๆทุกข์ด้วยวิธีใดด้วยการนั่งมากหรือหรนอด้วยการคิดก่อความตัวเองตามันมันเห็นมันคิดไปไหนบ้างความสนใจใค่ควรความตั้งหน้าต่างตาจะพิจาราาดูเรื่องราวของคนจริงๆมันเกิดกับตนนี้แล้วทาไหมมันจะไม่เห็นว่า มันต้องเห็นมันต้องรู้แต่ใจไม่สงบไม่มีความเย็นเลยแย่น่ะหาความสุขความสบายไม่ได้กันยากความยากทายเฮ้ยหนึ่งก็อนที่เรียนงัเหรอร้อน้ ความทุกข์เพราะเกเผาใจมัเคยทุกข์มาทักมากต่อมาแนยไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าที่เด็เเ้าใจวันแต่จนรกระทั่งธาตุขันนี้ด้วยกระทบเปลีนึงาตถึงขันหนึ่งไม่จตกเปล่ยนกระทบก็เทลีนแต่ใจเลยเฉพกระทบก็กเปยนถึงธาดุขันหนึ่งนึกคิดโปรดับปไดัพรความทุกข์ใจ ม, มันเป็นบ้าอะไรกันมีอืม ฆาตัวตายผมทำลายคนทั้งผลก็มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกตัวเลยเห็นว่าเป็นทางออกทุกมันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางเครื่องทุกไม่ใช่ทางสลักทุกมันเป็นทางกว้างไฟเข้ามาเผาตัวสร้างกอย่างหลักเข้าอีกขอบเความโง่นันเองในทิศข้างหน้าขาดหลังให้เห็นเหตุเห็นผลหนักเบาพ อ, อ, อ, อาที่จะปล่อยวางทางไหน ก็เมาเอาหมดตายจะดีมันจะเอาอะไรมาดีเมื่อคนดีเป็นๆดีมันก็ไม่ดีถ้าความตายดีโลกก็ต้องไม่ต้องกลัวกันดิรวมธรรมะนั้น้องดีอาดามแล้วมันก็ไม่ดีถ้าคนไม่ดีอธิบัติตัวไม่ดีจะเอาความดีมาจากความดีไม่ได้เกิดขึ้นจากความตายมันเกิดขึ้นจากการทำดีต่างๆนั่นถ้าเราคิดเราค้นอย่างนี้แล้วจะไปฆ่าตัวลงคอรหรือโยกคนหรื มาแก้จิกที่มันคล้องอยู่มันบุกคล้องทิ้งไหนก็แก้ที่กลุ่มนั้นมันก็ดีขึ้นมาการคิดทํานายตนมันก็ไม่ดีเป็นความเป็นบ้ากเหมือนกันก็คือความคิดมากเสียใจมากเป็นเป็นบ้าจะได้แก้วิธีใด้แก้ด้วยอุบาปัญญา ม, มันจะเป็นบ้าก็ได้เลยใครก็ไม่อยากเป็นก็รู้แล้วว่าบ้านั้นไม่ใช่ของดีอืม เลยเข้าใจเป็นทางออกทางออกทุกด้วยความคิดมากบุญมานมากเดือดร้อนมากาว่าเป็นทางออกคิดทางออกอะไรคนกําลังจะเป็นบ้าอยู่มันออกอะไรมันถึงจะเป็นบนะ้าขนาดนั้นถ้ามันออกมันจะเป็นถ้าทองออกเรื่กันค่าตัวเองมั่งอะไรมั่ง <ừ. S 1> คิดไปงั่ น, นเดียวโงมันทบทวนเหตุผลหนักเบา ทานไเท่าไหร่เท่าเดิมครุกัณฑ์มีกิเลสวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้แล้ววันไหนถ้าจะบกบางไปถ้าแก่ก็ได้แล้ววันไหนก็เท่าเดิมแต่ปีใดเดือนใดชาติใดพ้นใดก็เท่านี้นอกจากจะมากยิ่งกว่า น, นิพิทเพราะการสั่งสมกิเลสนั้นตั้งใจสั่งสมหรือไม่ตั้งใจสั่งสมมันก็เป็นไปตามอัตโนมัติของมันเพอบความเคยริงมา ฝีตับฝีกันแล้วมันก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้แต่การที่จะมือฟื้นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อถอดถอนเดชนีต้ต้องทำด้วยเจตนาต้องทํำด้วยความตรงใจจริงๆทําด้วยความขยันหมัน่นเพลินความอดความทนต้องทําด้วยการเป็นนักต่อสู้จริงๆมันขึ้กันในขั้นเริ่มแรกจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่นี้เวลาเคยชินแล้วมันก็เป็นทํานองเดียวกันกับสั่งคมการสั่งสมเดชของสมุทัน คือการถอดถอนที่เล็ดด้วเองเนี่ยนันก็เป็นทํานองเดียวกันคือเป็นอัตโนมัติเหมือนกันครับการสั่งสนที่เด็ดด้วยที่เรียกว่า ส, สมุญไถ่มัดทำหน้าที่ถอดถอนที่เด็ดเมื่อเข้าถึงขั้นเป็นตัวของตัวพอสมควรรู้จักกดเซนรู้จักผลรายได้รายเสียพอรอบตัวเองแล้วมันก็หมุนตัวไปเองเช่นเดียวกันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีแต่อุบายวิธีที่จะถอดถอนที่เด็ดโดย ท, ทายบีว นังที่เคยได้แสดนให้ฟังมาไม่รู้กี่ครั้งเป็นร้อยร้อยพันพันไม่ใช่ว่าจะลําบากลําบนไม่ใช่ว่าจะต้องถูถ้ายันมาตลอดเวลาเมื่อได้หลักได้เกิน์พรเป็นไปแล้วมันก็หมุนของมันไปเองหมนจนกระทั่งในรังเอาไว้ฟังนี้ถึงจะมีในแบบแขนตหรับตำนาก็ตามห้ามจริงมันมีอย่างนั้น เราก็เอาความจิงออกมาพูดนีส่สำหรับผมในปฏิบัติมาเป็ น, นอย่างนั้นจริงๆเวลามันู่แทรกันจนแทบล้มแทบตายมันไม่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นผลในทางนั้นมาแล้ ว, ลวจะได้ไปแตทางที่เคยเดินทางเคยเดินไม่ใชทางสังผสที่เหนื่ยหนักเท่าไรมันก็แบกบแบกบมาแล้มันก็นอนเเ้ า, านั้นเพราะมันพอใจที่จะคิดพอใจที่จะสัมสมที่เ เนื่องจากไม่มีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าที่ให้เกิดความปลอยใจยินแบบนี้ไปนันจำเปน็นก็ต้องแบบต้องถามกันอยู่นะพอเมื่อได้อบรมจิตใจให้ได้หลับได้เจนเข้ามาสความสงบเย็นใจมีทางความแยกขาดจากเพราะการที่การอ่านแนละ้วก็เห็นผลจะเป็นลําดับๆนี่มันก็ออกทํา ง, งานนะพี่ออกทํา ง, งานเดินจงกรมก็มีตถาสถถอนที่เล่นท่าอยู่ยืนเดินนั่งนอน เรียบบททั้งสีเว้นตลับคนนั้นมีแต่ธาตุถอดสะถอนอยู่เด็ดด้วยความคิดความใส่ใจดูความเคลื่อนไหวของใจความจะเคลื่อนไหวไปไหนเครื่องไหวเคลื่อนไหวไปเพื่ออารมณ์ติดข้องกับสิ่งใดและสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจอยู่ดันมีอะไรบ้างนะมันขุดค้นลงไปงไหนจะเป็นความเพียนเดินสิ่งนี้ชื่อว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไป ข้างพุทธ ก, การท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นผู้มีทัศน์ปัญญาแก่กล้าสามารถจริงแต่แล้วสาหรับยิสัยวัฒนนาของเร า, าเราเทียบอนั้นมันไม่สะดวกแด่แล้วก็เรียกว่าสติปัญญาอัุมัติวัตมิตริกอะไรว่าไทเซียเพราะมันเป็นอย่า ง, งนั้นจริงๆขนาดนั้นแล้ว ม, มันเข้าใครไมติดถ้าลงสติปัญญาใม่หมุน ต, วตรวจป็นเกียว ก, กับความเปลี่ยนน้ำ เข้าวการตามไม่ติดเสียไม่รไม่วลาเนี่ยอยู่คนยา ว, วันนั่งทำหมุนตัวตลอดเวลากับความเพียรเห็นที่ถอดที่ถอนเห็นกิเลสหมดไปเป็นระยะระยะระยะระย ะ, ะ, ยะพุ่นคุ้ยเขียขึ้นมาค้นหาคุ้ยเขียหาจนเจอเจอแล้วอาตะลุงบอลเข้าไปพอหมดพักนี้อ่ามีอะไรอีกค้นหาอีกอยู่อย่างนั้น มันไม่หยุดไม่ถอยจนถึงได้ร้างเอาไว้ฟังที่ว่าร้างเอาไว้มันลืมหลับลืมนอนนอนมันก็ไม่หลับเพราะมันเพิ่มกับความเพียงเหตุที่จะเริงมกับความเพียงเพราะเหตุอะไรมันก็ทราบในตัวเองอย่างากัดเจนเพราะสิ่งที่อัศจรรย์มันเห็นได้ชัดัซึ่งได้ผลมาแล้วเป็นลำดับลำดับมีเท่านี้ด้แล้วเทนี้ยังอีอะไรว่าขึ้นยัเกาะยังเกี่ยวยังปวยย่งพันเหยานี่ยังกดเกี่ยวไม่ได้คืออะไร เอาจนน่าแ ม, ม่มีอะไ ร, รอยู่แล้วภายในใจก็นี่แหละที่ว่าความเพียงมันไม่มีเละหันแต่หันดูมันก็ไม่อยู่ในรถในชาตนั้นอยู่กับธรรมอยู่กับอารมณ์แห่ธรรมที่ทำงานที่จะมาส ร, รุปยังไม่ตกไม่แตกไม่สลายไม่ขกปัญหาอะไรยังไม่แตกมันก็คบกันอยู่นั่นอ้อาู่นั่นทางออกจากโลกทางที่จะทำโลกความสงสารมันเปิดกว้าง ทางหลังมันก็ติดกันเข้ามาติดกันเข้ามายิ่งเห็นความมประกัดไปเลยยิ่งโทข้างหลังไปเลยมันจะไม่ดื่มความทางความเปลี่ยนยังไงคนเรามันต้องดื่มหมุนเอเป็นอตราเข้าว่าชีวิตจิตใจไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าทําำดวที่ต้องการอยู่เวลานี้นานทำประเสริฐอย่างนั้นแหลยจิตใจมันถึงติดจิตใจถึงคุณค่ามันนุ้องพอใจจนลืมเมื่อลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมหิวโหยอะไรทุกอย่าง ลืมไปแล้วมีลามีแต่ทํากับใจสัมผัสกันอยู่ผับผับผับผับเท่านั้นไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะไม่สนใจสนใจจะอารม่์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิตอยู่เท่านั้นอืเวลาหมุนไม่หมุนอย่างนั้นไม่เคยเห็นมีในตำรับําลาที่ไหนก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้มันประกาศอยู่กับใจอย่างนี้ กิเลถอดถอนแตวันนั้นเล็ก น, น้อยเห็นทัดชัดกับใจทีเดียวว่าอันใดหลุดไปแล้วรู้เท่ากินได้แล้วอันใดยังอยู่เมื่อหนักเข้าหนักเข้าการยอมแพ้ไม่มีเนียวลาจะยอมแพ้ก่เลสนี้เป็นไม่มีตายก็ขอให้ตัดนอกจากจเอาชนะท่าเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นจิตลงในท่านนี้แล้วเป็นไม่อ่อยให้พ้นเสียอย่างเดียวจะไปค้างอยู่ในท่านใดภูมิใดเป็นสิ่งที่ล่าช้าเสี ย, ยเวลาไม่ร่าไม่ต้องการจะขาด เป็นตาก็ขอให้เราผ่านในขณะ น, นี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้อย่าให้ผ่านไปแตให้อยู่รอนานเลยเพราะพิเดกกิจมันหมุนทันกันอยู่พับพับพับพเหมือนกับหมาไล่เนื้อพอที่จะกัดก็ฉีดเปนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะถอยตัวไปได้ไหมตายก็ตายนั้นเอง น, นอกฉันลุกไปซะเลยนะไอ้นี่เจ็บยดปล่อยเครื่องรบทั้งหลายสติปัญญาก็หมดปัญหาไปเอง ที่หมุนติวอยู่ติ้นว่ามันจะไม่มีเวลาดึกเวลาดกแต่ลาปัญหามันหมดรู้ติกันลงแล้วตางทานก็ตังหมดภาระของตัวเองทราบงานของตัวเองในขณะนั้นทันทีหมุนเป็นเกี่ยวอย่างนั้นมันก็อยู่ได้ไม่หยุดจะไปหาหมุนหาอะไรอีกหนักชิงก็ทราบว่าชิดหมดก็ทราบว่าหมดบริสุทธิ์ก็ทราบบริสุทธิ์ไม่มีที่จะไปแล้วจะ หาไปที่ไหนอีกหาไปอยูน่นนก็หลง อ, อยู่นี่มันไม่หลงจะหาอะไรยุี่การเลี้ยงความภาคเพียร์ถึงเวลาหมุนมุงไปเองไม่ใช่จะต้องถูกถูไทยบงังคับกันตายตลอดเวลาฐานะของจิตที่ควรจะเป็นตัวของตัวควรจะพึ่งตัวเองได้ควรจะมีความภาคเพียร ควรจะสนใจในอะไรทาที่เกิดขึ้นกับตนนี่แผลงเองแล้วเราจึงเลงลงไปเลงย้อนหลังนี้ขณะปัจจุบันนี้กับอดุที่เราเป็นมาไม่มีลืม มันรุ้งมุกพาังทั้งหนักทั้งแขนยุ่เยงเหยิงวุ่นวายร้อนเหมือนหนึ่งไฟเผาทั้งกล่องเนี่ยมึงก็รู้ไม่ลืมจะลืมอลไนดีในหะัวใจตรงนี้เลื่อนกันมาต่างไหนมนเป็นอยู่กับใจเราทาไมจะทรามาทราบเรื่องตัวเองใครลาบลื่นคืนชมมาเป็นลํานับลำหดับลำหดับ มันทำสลับปาดพื้นใจหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นผงตัวดีแม่นิดในจีรันมาำไมบารมุสุจะประหาที่ไหนนิพพานังบารมังสุขังว่ารุสยังไงเอาอะไรประสงค์ใส่นิพพานังบารมังสินดังถูนยังไงถุนของปานิพันจะเอาอะไรมาสงสัยก็ตัวนั้นเป็นตัวนิพพานทั้งเต็มอยู่แล้วจะถ้าสงสัยอะไรถุนของปานิพานถูนยังไง ถูกเรื่องพันธุ์พันถูกจากความจากใจที่มือสุดถึสุดยังไงสูญแห่งความมือสุดของใจนี่สูนย์ยังไงมันก็รู้สิว่างเลแล้วไม่สูญแบบโลกโลกที่คุกงากรอยู่นี่สูญแบบมีเหตุมีผลแบบประจับกับตัวเองความสูญสิ้นของแห่งความมือสุดมันศูญยังไงมันก็รู้สิความสุกอันยิ่งเลื่อน มันยอดเยี่ยมแห่งความแห่งความบริสุทธิ์ที่กันนั่นคือแบบพระนิพพานนิันก็เห็นอยู่กัรู้อยู่กับตัวเองไม่สงสัยอะไรเลยเสียงมันตาดำตาลดงตาบอดทำทำ้าเดินถ้าสงมันก็รู้อะไรหางมันก็รู้หัวมันก็รู้หัมันก็รู้หวมก็รู้งานมันก็รู้หานมันก็รู้รู้หมดนะรู้จนกระทั่งขี่มันจะไม่รู้อะไร ถ้าแต่ตัวมังที่ตกมามนก็รู้นี่มันขี้ของขี้งมันมันจะตัวมันอย่างเงี้ยมันก็รู้ขี่เลเรศนู้นหมดที่เลศที่โลกขี้โกรธขี้หลงขี้อะไรอะไรขี่โมโหโธ่โสมันเต็มในตัวหัวจิตหัวใจก็รู้หมดสุดท้ายยอดทำจะไม่รู้ยังไงมันอยู่ในหัวใจทั้งนั้นถ้าฝุดค้นเข้าไปจนพอตัวให้มีกําลังให้พอสติปัญญาเต็มที่แล้วฝุด ลกออกหมดไม่มีอะไรก็เหนือสิทธิ์ปัญญาไปได้พอถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาสม ม, มติมันกระจายมาจากจแล้ว้องมีอะไรการดูยนี้สถานที่เอามาจากไหนเออไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่กับการกระว่นเงินรางที่ผมพูทุกอย่างคอยนั้นหมดไม่เกี่ยวขอ้งงงมมววของกับอะไรเมื่อเป็นอย่างันสม ม, มติจะมีมาจากไน ตัวนันไม่ใช่สมมตินี้วถ้าใครชื่ออีกมีสมมุติอันหนึ่งแสงก็แปลว่ามีมุดน่ะคำไมาิมุดนั้นก็เป็นสมมุตินะคำามานิทานเป็นสมมุติข้าวคำว่าเบอร์สุดก็เป็นสมมุติอีกสมมุติเพราะเราอยู่ในโลกมันต้องเอานี่มาใช้ไม่ใช้ไม่ะความหยุดพ้ก็เป็นสิแปลนสมมติทั้งหมด ถัดกมาแล้วเป็นสมุทรเท่านั้นกับเพื่อนออกมาเป็นสมุทรหมดแต่ท่านมาหล้มตั้งไว้เพื่อโลกกวรสงสารเพราะธาตุานก็เป็นสมุามาทรธรรมชาตินั้นถึงจะเป็นอะไรแล้วก็ตามก็ต้องให้ชื่อให้งน้มเพื่อรู้จักความสูงความต่ำของผู้ปฏิบัติก็ูมเป็นที่ทาดที่หมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจแต่พอเข้าไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหาเองสิ่งเห่านี้ตก ไหมดไม่มีอะไร่จะชื่ออะไรก็ไม่เชื่อได้แม้จําเป็นไปตงมหาจะคุ้เงาชื่อนั้นเงาเมื่อเจอจริงแล้วคากระตามอยาเี้ยเช่นตามลอยโขลอยจับเมื่อไปถึงตัวมแล้วจับตัวมันแล้วจะถหกรรมอยอีกลับตัวมันอยู่ด้วยกัม นี่คำว่านิพานก็ดีคำว่าความบริสุทก็ดีมันอยู่กินตรงนี้ไปเจอธรรมชาตินี่คบริสุทธิ์้วจะแบ่งอะไรอีกว่างว่างไหมยุ่ไหมเหนื่อ ไ, ได้เสียกับใครมาอยู่สบายั่นก็พอหมดสิ่งกวนใจมีผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าทำจริงไม่ไปไหนก็ต้องมา น, นี้แน่ๆมาตรงนี้แน่ๆพี่เด็กหายดเนินตามมัดที่มายกัลนล่าเดึะ เอาตลอดหลักธนรมญาอธิบายให้ผิผลิต